50 Languages คําคุณศัพท์หนึ่งคำคหนึงคำคหนึ่งคนคน v a n เอาหน่อยผู้หญิงอ้วนหนึ่งคนบ็อกซ์ n น่อยนะบ็อนยนะผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งคนอูดิชิมูเล i คน้อยนะอูดิชิมูเล็คน้อยนะรถใหม่หนึ่งคันอูสั่ตอูสัต รถความเร็วสูงหนึ่งคันกีรอตโตกีเรอตโตรถนั่งสบายหนึ่งคันมูกาวอุตโมูกาวอุตโชุดเบรดสีฟ้าหนึ่งชุดซินีน่กลซนีนกลชุดเรสสีแดงหนึ่งชุด ป u n a n e นในเคลต์ปุ้นนอนในเชุดเรสสีเขียวหนึ่งชุดโรเฮ l ินในเคลต์โรเฮลิน k นเคลตกระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบมุสตโกตมุสตโกกระเป๋าถือสีน้าตาลหนึ่งใบร รูนกุตกระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบอลเกกุตวอลเกกคนใจดีหลายคนโตเรตต์ที่นี่ e มสเซ็ตโตเตต์ท e ่คนสุภาพหลายคนวีสักกัตทนมวีที่ม คนน่าสนใจหลายคนผูวิจารณ์อินิเมส์เด็กน่ารักหัวหมาส์ต์ลอบส์เด็กดื้อหุ่นล็อกกดต์ล็อบส์เด็กดีเฮียตล็ h e a ยร์อดลับซ